เสียงานหนังสือยอดปรารถนาของมนุษย์พุทธทาสภิกขุยอดปรารถนาของมนุษย์จิตวุ่นทำการงานเป็นทุกจิตว่างทำการงานสนุกไปหมดท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายมนุษย์ปรารถนาอะไรกล่าวอย่างสั้นๆก็คือ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 แล้วพิจารณาดูเถอว่าการตายชนิดไหนหน่ากลัวกว่ากันเพราะฉะนั้นจึงขอร้องว่าให้จดว่าการตายมีสองอย่างคือการตายทางร่างกายและการตายทางวิญญาณถ้าใครไม่สนใจถึงกับไม่มีกระดาษจะจดหรือว่าปากกาหายเพราะเอาไปเสียค่าครูสอน o c ก a อ d โร l l ก็สุดแท้ถ้าเป็นเช่นนั้นนั่นก็คือตัวอย่างที่ว่า